أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم ص ل ا ل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب إشرح لي, لي صدري و ي س ر لي أمري وحل ل ع ق د ة من لساني يفقه قولي اللهم ا ن ف ع ن ا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علم ا ربنا ظلمنا أنفسنا و إ ل ّ م ت َ ف ِ ر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ َ ب ن َ ا آ ت ِ ن َ ا مِنْ لَدُن ك َ ر َ ح ْ م َ ة وَحِيَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا ر َ ش َ د ا ل ح م د ل ل ه ش ك و ر ن ح ب ا ل ل ه س ة ه ه ح ن. ن ح ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى إ ن ش ا ء ا ل ل ه رَوْمِي وَلَا نَكَاتِكَ أَن سُرَهُ غَافِرُ َ ي จบให้ทันนะครับวันนี้ คาบหนึ่งและน่าจะเหลืออีกแค่คาบเดียวแล้วนะครับจะพยายามอินชาอัลลอ์นะครับเรามีเวลาที่จะได้ต้อนรับเดือนระมดอนอีกครึ่งเดือนก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์สุภาพวาวต่าละประธานพลานามัยที่ดีให้กับเรานะครับหัวใจที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง ครึ่งเดือนของชาบานเนี่ยหัวใจเดือนนี้เดือนชาบานเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุลตานอาตาล่าจะอภัยโทษให้กับบาวของพระองค์แต่มีคนสองกลุ่มที่จะไม่เข้าข่ายได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์นั่นก็คือคนที่ตั้งภาคีหัวใจไม่ไม่ดีหัวใจไม่ปกติก็คือหัวใจที่มีความผิดบาปที่น่ากลัวมากนั่นก็คือการชริก การตั้งภาคีกับอัลละ์เป็นบาปที่ Allah อัลลอฮ์ตาลาจะไม่ส่งอภยัยถ้าสมมติว่าบาวคนนั้นไม่ได้อิสติฟ่าไม่ได้เตลบัดต่อพระองค์กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ Allah อัลลอฮ์ตาลาจะไม่อภัยโทษก็คืออัลม ah ูชาหิเห็นบาวที่มีปัญหากับพี่น้องของเขาทะเลาะ ก, กันแล้วยังไม่ได้ขอมาอัฟซึ่งกันและกัน นี่ก็เป็นเป็นความผิดบาปที่เกี่ยวข้องระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับอัลลอฮาจะอภัยก็ต่อเมื่อสองคนนี้นะครับที่ขัดแย้งกันที่ทะเลาะกันที่เบาะแว้งกันเนี่ยจะอภัยจะคืนดีกันเพราะฉะนั้นการอภัยโทษจากอัลลอหฺซุบฮานาวต่าลบางทีมันก็มาง่ายๆเราไม่ต้องทำอะไรเราอยู่เฉยๆบางทีมันก็มาแต่ความง่ายในการอภัยโทษของอัลลอก็ มีเงื่อนไขของมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลหัวใจของเราให้ดีทั้งสองอย่างนี้เกี่ยวกับหัวใจทั้งสิ้นชีริกก็เกี่ยวกับหัวใจหัวใจที่ผูกพันกับสิ่งอื่นมากกว่าผูกพันกับอัลลอตฺสาระอัลมูชฮะนะการทะเลาะกันก็เป็นเรื่องของหัวใจเหมือนกันหัวใจของเราที่มีปัญหากับคนอื่นถ้าไม่ถ้าไม่มีปัญหาถ้าหัวใจไม่มีปัญหา ก็คงจะไม่ทะเลาะกันหรือถ้าทะเลาะกันก็ขออภัยกันได้นะครับ i, ah อัลลอฮุบิลลัฮิมิญซาลิละฮาวลาลลอะโะจัลลาบิลลัลวันนี้เรามาดูกันนะครับเพื่อที่จะได้อ่านให้จบนะครับสุโรห์กอฟิรตั้งแต่อายะที่หกสิบเก้าเป็นต้นไป อ, อายะที่หกสิบเก้านี่ยจนกระทั่งอายะที่เจ็ดสิบแปดเราอาจจะอ่านแค่สักสามอายะหรือสี่อายะนะครับเพราะว่า ที <toys> ่เหลือเนี่ยกลัวจะใช้เวลาเยอะพอสมควรเหมือนกันเราจะอธิบายให้หมดแต่ว่าเราจะอ่านแค่สักสามถึงสี่อายัดนะ ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات اللّه أن لا يصرفون ال ذ ي ن كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسولا <ت ص> فسوف <في ق> يعلمون ดิ้ลอะกลาลุฟีอา ا นกิห์ม والسلاسل يسحبون في ا س س ل ح <ت ص في ق> م ي ثم มาในนารียุสจาุทมนิวลหุมไยน์นาคุมทุมตชรคุน มิมุ่นอกอัลอฮลู ض ل و ع ن بللمنكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ا ลล م د ل ل อ رؤان ทีน่นี้นะครับ <S <S <an> ل ل ل <الله> รอ ل م ล ر إ ล ى الذين يجادلون في آيات الله رن راو อ่ามีอายัดหนึ่งเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วมีอายัดหนึ่งยังตกค้างอยู่เดี آ آ ๋ยวอ่านสักนิดหนึ่งก็ได้อายัดก่อกนหน้านี้หกสิบแปดใช่ไหม อายดขุนศิ บ, บลน a l l ตะลาบกวยงไร่ัู้ที่ยุบิวยุมีต์ فإذاقضاء أمر ฟังอินมายิู่ละหุคุมไฟะคุพระองค์คือผู้ทรงให้ชีวิตและผู้ทรงให้ความตายดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงกำหนดสิ่งใดพระองค์ก็แค่ทรงบัญชาแก่มันว่าจงเป็นแล้วมันก็เป็นขึ้นมาตอนที่แล้วเนี่ยเราบอกนะครับว่าเป็นกลุ่มอายัดที่ล l l a h ตะลาพูดถึงรูบูบียะ ความสามารถของพระองค์ในการสร้างในการให้เกิดในการให้ตายเพื่อที่จะเอาหลักฐานจากการเป็นรูบูบีย้ของอัลลอฮฺตะอัลาตรงนี้ไปอ้างให้มนุษย์นั้นต้องมอบความเป็นอูลูฮียะให้กับพระองค์นะครับและในจํานวนสิ่งที่เป็นรูบูบี้ของอัลลอฮฺตะอัล า, าก็คือการที่พระองค์ทําให้เรานั้นเกิดและเราก็ต้องตาย น, นะครับเพราะฉะนั้น นี่คือหลักฐานพยานที่พูดถึงความสามารถของล่องสุภ า, า, า อ, าตาอาัตลอลไม่ให้บรรดามุชริกีนเนี่ยมาโต้แย้งได้อีกพอมาถึงวันนี้นะมถึงวันนี้เนี่ยย้อนกลับไปคุยกับบรรดาคนที่เป็นมุชริกีนะที่คอยโต้แย้งกับองค์การของล่องสุภ า, า, า, าวัลลอเป็นการอธิบายถึงผลกรรมที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขา บรรดาพวกมุสลินที่มาโต้แย้งกับท่านนาบีสลานอลอฮ์สลที่มาขัดขวางที่คอยอใส่ร้ายป้ายสีคอยอทำนู่นทำนี่จนกระทั่งท่านนาบีสลานอลอฮ์สลได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจากบรรดาหัวโจกพวกมุษลิมเนี่ยที่ไม่ยอมศรัทธาต่อ Allah s u b h a n a ไม่ว่าพระองค์ จะเอาหลักฐานอะไรมาแม้ว่าท่านนบีสโลลล์ขอสัลัมจะอ้างอะไรมาก็ตามจะอธิบายอย่างไรก็ตามก็ยังดื้อผลกกรรมของคนเหล่านี้จะเป็นอย่างไรอลัมตระอิลัลี่นัยยูจัดิลูนฟีอายาติละอันนายุสรอฟูนสู่เจ้าไม่เห็นหรือว่าคนที่โตเถียงเกี่ยวกับอายัดของลอตัลลานั้นถูกหันไปได้อย่างไรสุบฮานอัลลอฮ์เห็นมก่อนหน้านี้ พูดถึงอายาัดพูดถึงเครื่องหมายพูดถึงสั ญ, ญลักษณ์ความยิ่งใหญ่ของรัตตาลามากมายเออแต่ทําไมคนเหล่านี้ถึงไม่ยอมไม่ยอมเก็ตสติปัญญาของพวกมุชลิมีเหล่านี้ทำไมถึงไม่ยอมเก็ตสักทียากที่จะเข้าใจขนาดนั้นเชียวหรือองค์การของลัทธิสุภทานอวตาราที่ปองพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นซูรักษ์มาแล้วไม่ใช่เฉพาะยกหลักฐานที่เห็นต่อหน้าอย่างเดียวยังยกตัวอย่างในสมัยอดีตอีก ยกตัวอย่างในสมัยฟิร์อาห์ยกตัวอย่างในสมัยรอซูลก่อนหน้านี้นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮฺบะฮาอัลาเอามาในอัลกุรอานของพระองค์ทั้งสิ้นต้องการให้มนุษย์นั้นได้เรียนรู้เข้าใจและยอมรับแต่บรรดาคนที่ตั้งแง่กับอายัดของอัลลอฮฺสุบฮฺบะฮาอัลลาฮ์อันเนยุสรอฟูนทําไมถึงเหมือนกับว่าอัลลอฮฺอัลลาห์พูดอย่างนี้แต่หัวใจของคนเหล่านี้นี่ไปทางอื่น ไปทางอื่นเหมือนไม่ได้มาในทางเดียวกันเราต้องระวังเลยนะพวกเราเองก็ต้องระวังเวลาที่เราเรียนอัลกุรอานเราเรียนสิ่งที่ท่านนาบีสลัลลัสัลัสอนเราลองเช็คหัวใจดูซิว่าหัวใจของเรายอมรับฟังไหมหรือเรากำลังดื้อเล็กๆอยู่เรายังไม่ยอมเข้าใจอ่า เรากลัวว่าจะเป็นเหมือนคาถามที่เราอาลาถามบรรดาพวกมุสลิมีเหล่านี้อันไหยุทรฟูมันหันไปทางไหนอ่ะทำไมไม่ยอมเข้าใจอ่ะละอิละอิละัลลอฮฺอัสตะฮุรุลลอฮฺอะตูบิอไรอ่าตับซิดบอกว่าอย่างไงอุนทร์ كيف ยุทรฟูน عن آ ي ا บ الله الموجبة ل ل إ ي อ ا ن بها إلى الجهود والتقريب والجدال ب ا ا ل فيها คือถ้าคนมีหัวใจที่ปกติ หัวใจที่เป็นธรรมเวลาที่ฟังอายะ ต, ต่างๆของล่องสุพานณเอาแต่ละแล้วเห็นความสามารถของพระองค์ที่พระองค์พูดถึงในการสรร์สร้างต่างๆของพระองค์ถ้าใครที่มีหัวใจที่เป็นธรรมจริงๆเนี่ยเขาจะยอมรับโดยดุษฎีแต่คนเหล่านี้ทําไมอ่ะแทนที่จะยอมรับกลับกลายเป็นการโ ต, ต้เถียงปฏิเสธดื้อรัน้นคําถามนี้จริงๆแล้วเป็นคําถาม ไม่ได้ต้องการคำตอบแล้วมันรอไม่เห็นเป็นคำถามที่แสดงถึงความแปลกใจว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้อย่างไรนะครับลอิละฮอิลลลอฮนี่สายของคนเหล่านี้ก็คือาูนที่ปฏิเสธคำทีแเล่มนี้และปฏิเสธบรรดาคำที่เราได้ส่งมาให้กับ รอสูลของเราก่อนหน้ามุฮัมมัดก่อนหน้าท่านนาบีรูสูลอะนะเนี่ยเป็นพระหุน์กับอัลกุรอานก็ไม่เอากับคำพีก่อนหน้านี้ที่เคยส่งมาก่อนนี้ก็ไม่เชื่อไม่ศรัทธาฟะเซวฟัยละมูนในไม่ช้าพวกเขาจะได้รู้จะได้รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรได้รู้ตอนไหน <c oughs> ดิลอัลลัลฟีอันาคิฮิมเนวันที่พวกเขาถูกอัลลัลลี่หมายถึงปลอกนะอัลลัลลี่หมายถึงปลอกปลอกที่ใช้อะไรนะเขาเรียกใช้ใส่ที่คอแล้วก็เอามือไปใส่ที่คอด้วยคือไม่ได้ใส่ที่คออย่างเดียวใส่พร้อมกับมือคือมือต้องอยู่ที่คอแบบนี้อ่า น, นี่เป็นการจับซีดของ อยู่ที่ไหนอันนี้ไงเลอะแกลว่าหัล็อยด ي วยในมือว่าลูกซายจ์มาอุบมาลอกที่ถูกตั้งเอาไว้ที่ใส่อไว้ที่คอแล้วก็เอาหมูไปใส่ด้วยนั่นคือเนื้อที่เสลาเซลไม่ถึงโซ่ที่ยาว อันเาลที่เป็นปลอกอัสลเซเป็นโซ่นี่คือสภาพของคนที่ต้องถูกลงโทษจากอัลลอฮ์ س ب น ا ن ه และ تعالى ณกิยามะ น, นะอูดุบิลละยุสฮบูนละพวกเขาถูกลกใส่อย่างเดียวไม่พอนะถูกลากยุสฮับูนแปลว่าถูกลากถูกลากไปไหนถูกลากฟิลฮามีมลาอิลาฮะอิลลอห์ ถูกแลกในน้ำเดือด ال อัลฮามีน้ำบาลอัาดัน้ที่เดือดพล่านจนกระทั่งสุดความร้อนสูงที่สุดนี่คืออัลฮามีนตุมมฟินนารยจรนหลังจากนั้นพวกเขาก็จะถูก สุ่มลงไปในไฟยุสยารูนี่หมายถึงสุมไฟเพราะฉะนั้นในบางทับเสื้อนี่บอกว่าชาวนารกนี่จะอยู่ระหว่างสองสภาพสภาพที่เปียกน้ำร้อนกับสภาพที่ถูกสุมสุมไฟสุมไฟเสร็จมาจุ่มน้ำที่ร้อนจุ่มเสร็จลากไปอีกสลับไปสลับม า, อ, อ, า, บลลาอัลัยาบิลละลาอิละฮัยละลลอะนะครับนรกไม่ใช่เรื่องเล่น ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปท้าทายอัลลอฮ์สุบฮานะฮะวะตาละไม่ใช่สิ่งที่เราจะมีความรู้สึกว่ามันง่ายได้สำหรับเรานะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องขอดุอิศจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮะวะตาลให้ปลอดภัยจากนรกให้ทำอิบะดะให้ทำทุกสิ่งทุกวิถีทางที่สามารถทำให้เรานันรอดพนน้นจากนรกท่านนบีสลตละฮ์สัลัอฮวะสัลมบอกว่าอย่างไงอิตตะคุดาวะลาวิชักติตามร จงปกป้องตัวเองให้พ้นจากนรกแม้เพียงแค่การบริจาคทานด้วยชักิตัมราตามัดลูกหนึ่งอินทภาลามลูกหนึ่งเนี่ยสมมุตินะไม่มีอะไรจะบริจาคเหลืออินทภาลามลูกหนึ่งแบ่งครึ่งแล้วบริจาคครึ่งหนึ่งถ้าสมมุติว่าสามารถที่จะทําได้แล้วการบริจาคของเราแค่ครึ่งของอินทภาลามเนี่ยเราเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราเพื่อที่จะให้อะละกัลลาทำให้มันเป็นปันจจัย ให้เราได้รอดพ้นจากนรกถ้าทําได้ทําอย่าดูแคลนอย่าดูถูกอเมร์ต่างๆที่จะทําให้เรานั้นรอดพ้นจากนรกเราต้องมีเครื่องมือพร้อมไม่ใช่ว่านะจะไปจ ะ, จ, ะจะสู้กับชัยตอนจะสู้กับนรกอีกไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีอะไรเลยไม่ยอมทําอะไรเลยแล้วเราจะรอดได้อย่างไร เราจะรอดได้ยังไรต้องพยายามทาทุกวิถีทางที่เราสามารถทาได้เพื่อให้รอดพ้นจากนรกให้ได้ไม่อย่างนั้นอัลกุรอานไม่สอนให้เราขอด้อาว่ยังไงรบนาอตินาฟิดนยานะว่าฟิลอารตะม่อะไรอีกว่กนอาาเนนจอ้อว้นะครับดูอานี้เป็นดูอครอบจักรวาลอัชาล เวลาไหนที่เราบอกว่าขอดุอาเถิดพี่น้องไม่รู้จะขอดุอานอะไรให้นึกถึงอุอานนี้เป็นดุอานแรกเพราะดุอานนี้เป็นดุอาที่ครอบจากราวันจริงๆแล้วเอามาจากอัลกุรอานนะอุอาว่ารบบะนาอัตินะฟิลเดนยาฮัสเนะว่ฟิลอาขึ้นที่ฮัสเนะว่กินาอาตาบันนะเป็นอุอ่านที่เอามาจากอัลกุรอานเป็นอายัดอัลกุรอานที่กำลังพูดถึงการขอดุอานของบรรดาฮุจที่ไปทาฮัจญ์ในพิธีกรรม การทำฮัชของพวกเขาช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือช่วงเวลาที่พวกเราไปทำฮัชแล้วดะอาที่อัลตตาระประธานลงมาในอัลกุรอานที่กําลังพูดถึงคนทําฮัจจ์ก็คือดะอานิรบบนาอัตินาใน الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة วกินาอาซาบนาผมเชื่อว่าทุกคนท่องจําได้หมดเด็กเล็กๆก็ยังท่องจําได้เพียงแต่ว่าเราเข้าใจมันมากน้อยแค่ไหนรบบนาอัตินาใดุ ل د ن ي ا حسنة ขอให้เราได้เจอแต่เรื่องดีๆในดุนลกนี้ว่าในอัคข์รัติเฮสนะขอให้เราได้รับสิ่งดีๆในโลกอัคข์รัตยังไม่จบแค่นั้นสุดท้ายก็ต้องมีอีกว่ากีน่าอาซาบันนะขอให้เราปลอดภัยจากจากนารกไม่พอหรือขอความดีในดุกนี้ขอความดีในอัคข์รัตก็จบแล้วไม่ใช่หรือทําไมต้องบอกว่าขอให้ปลอดภัยจากนารกด้วยเนี่ยไงหลักฐานว่านารกไม่ใช่เรื่องเล็กท่นนานอบีบบอกให้เรา ดูแลตัวเองให้พ้นจากนรกดูแลครอบครัวให้พ้นจากนรกอยะอายฮลลีนะอามานุกู้อัฟุสักงุลอัลลีกุนนาะรอจงปกป้องตัวของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากนรกเพราะอะไรเพราะนี่ไงสภาพของคนที่อยู่ในนรกมันจะเป็นอย่างนี้ลา่าใส่โซ่นะใส่ปลอกลากเข้าไปในน้ำเดือดนะครับแล้วก็เอาไปสุมในไฟอีก و ا ل ع ي ا ظ بالله لا حول ولا قوة ل ا بالله الله ك ب ر نعوذ بالله من النار ثم قيل لهم ي ن م ا كنتم تشركون แล้จากนั้นพวกเขาก็จะถูกถามว่าไหนเล่าสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายเอามาเป็นภาคีเอามาชิริกกับอัลลอฮ์ س ب ح ละตอนที่พวกเจ้ามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ อันนี้เป็นคําพูดที่นะครับบรรดาเมลาเอกะไปคุยกับชาวนรกไ้ถามชาวนรกไหนวันนี้พวกเจ้าอยู่ในนรกแบบนี้เนี่ยไหนเอามาสิสิ่งที่พวกพวกเจ้าเคยเคารพ บ, บูชาเป็นการตั้งภระคีกับอัลลอฮฺสุบานเราจะอะไรในโลกดุนียอยู่ไหนทําไมไม่เห็นมาม า, มาช่วยทําไมตอนที่อยู่ในโลกดุนียเนี่ยพวกเจ้าอะงกงกเน่นเน่นขอนุ่ น, น, นขอ น, น, ขอ น, น, ขอนี่จากมันแล้วทําไม ตอนที่พวกเจ้ามีความต้องการรอดพ้นจากนารกตอนที่พวกเจ้าลำบากขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่ขอกับพวกนั้นอีกนะไอ้ไนามาคนจงตุชริกูนใครที่มีอะไรเป็นที่พึ่งในโุนาีาก็จะถูกถามแบบนี้ในวันอคัคราถ้าในโยานี้เราพึ่งอะไรพอถึงวันอคัครามาลาอิกัสก็จะมาถามว่าไหนอะสิ่งที่เราเคยพึ่งในโลนี้เอามันมาช่วยสิตกลงเป็นยังไง อ้อยนนหมายคนามวุต้ชริกูนั่นม่ได้นิยลลอฮ์นั่นละสิ่งที่พวกเจ้าเคยตั้งภักีตั้งชิริกนอกจากอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع า ل ى คำตอบก็คือกอลูดัลูอันน์อัลลอฮฺอักบะะชาวเนรบตอบว่ายังไงดัลูอันนาไปหมดแล้วไม่รู้ไปไหนมันนี้ไม่อยู่แล้ว หลงทางหาไม่เจอแล้วไม่รู้หายหัวไปไหนแล้วดัลลูอันน่าบูอันนไปลไม่รู้ไม่รู้อยู่กับคนล่าีอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้และลอลอิลลัลลอฮกลดัลลูอันนะไม่เพียงแค่นั้นไม่เพียงแค่บอกว่าไม่รู้หายไปไหนบัลลนักุนะดมิงกับลชัยอแต่คนเหล่านี้ยังบอกว่าอย่างไงจริงๆแล้วเนี่ย เราไม่ได้บูชาอะไรเลยนะตอนอยู่ในดุนีาไม่ยอมรับเห็นไหมเพราถึงวันอะเคียร์เนี่ยบรรดาคนที่ขีริกทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับอะไรเขาเรียกนะพยายามหาข้ออ้างให้ตัวเองได้ปลอดภัยได้รอดพ้นจากการลงโทษเหมือนกับปัดความรับผิดชอบของตัวเองจริงๆแล้วระหว่างระหว่างเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนที่เคารพกับคนที่ถูกเคารพเนี่ย จะปัดความรับผิดชอบไปมาไอ้พวกที่ถูกเคารพก็จะปัดความรับผิดชอบบอกว่าฉันไม่เกี่ยวพวกนี้มันมาบูชาฉันเองในขณะที่ไอ้คนที่เคารพเนี่ยพอถึงวันอาครา ก, ก็จะบอกไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เคยบูชาไม่เคยปฏิบัติไม่เคยตามไม่เคยอะไรตอนที่มีชีวิตอยู่ไม่เคยตั้งพระคีกับพระองค์เลยนะไม่ยอมรับเพราะอะไรเพราะกลัวเพราะนึกว่าการการพูดกลบ เกลื่อนอย่างนี้เนี่ยจะทำให้ตัวเองได้รอดแต่สุดท้ายรอดไหมไม่มีทางรอดหรอกนะครับในอิมโลกซีนเนี่ยมันมีอายัดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอายัด ต, ตรงนี้ซึ่งอิมโลกกซีนก็เอามานะที่บอกว่าอย่างไง อ, อะไรล ะ, ะแป๊บหนึ่ ง, งผมหาที่บอกว่าซุมมาลมเต็ค่มีอยู่ในสุรุสุรุตุลอนงาม “قالوا ظلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ي جهدوا عبادتهم بدأ คนกาเฟรตเนี่ยปฏิเสธว่าตัวเองเคยอิบาดัตสิ่งที่พวกเขาเคยตั้งภาคีหรือว่าเคยชริกมาในโลกตรงนี้คนที่เคยเคารพดวงอาทิตย์ก็ปฏิเสธว่าตัวเองไม่เคยไม่เคยบูชาอาทิตย์ไอคนที่เคยยึดอยู่กับอะไรอ่ะดวงจันทร์เคยยึดอยู่กับ ปอไเคยยึดอยู่กับอะไรโตนั้นโตนี้พอถึงวันอาครอไม่ยอมรนะครับซึ่งเหมือนกับอายในสุรตุลอนามที่อัลลอฮฺ阿ว่าอย่างนง้ทัมัาไมทำใิลาทัหมดัริลาังนนรามิดพาดทนามด้ิลาดงหัเราไม่ได้ทำ้ดา้ัเราไม่ได้ทิลาั้งหั้นเร้ลาดทด่า ต้องโกหกหน้าด้านนเพราะเพราะมีความรู้สึกว่ายอมยอมลองโกหกดูเผื่อว่าจะรอดไรละฮะอิลลัลละด้วยความที่อาซาบมันหนักมากต้องหาทางรอดออกให้ได้ยอมถึงกับแม้แม้แม้อาจจะรู้นะว่าโกหกยังไงมันก็ไม่พ้นหรอกในวันกียมามะนี้แต่ก็ลองดูนะอุบิลลาฮิมินซัลิกลาฮูลาวาลาอกุรอตัยลลาฮิลลา อันนี้คือความหมายอันที่หนึ่งของอายัดนี้บัลลังนักคนนัก ด, ดูมิ้งค์ขอบลูเชนะหมายความว่าพวกเขาปฏิเสธว่าเคยเคารพบูชาสิ่งที่เป็นพาคีสมัยที่พวกเขามีชีวิตอยู่ในโลกดุนียาหรือนะอีกความหมายหนึ่งก็คือว่านี่เป็นการยอมรับว่าสิ่งที่พวกเค า, ารพบูชาในโลกดุนียานั้นไม่มีประโยชน์อันใดเลย วันนี้ยอมรับแล้วตอนที่มีชีวิตอยู่ตอนที่บูชาอยู่ในโลกดุนยานี่โอ้โหอันนี้ศักดิ์สิทธิ์อันนี้ช่วยนั่นได้อันนี้ช่วยนี่ได้เยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ไม่รู้กี่ตัวกี่องนาอูบลแหละแต่พอถึงวันอาเครอไม่มีค่าเลยนะสิ่งที่เคยยึดถือมาในโลกดุนยานไม่มีอะไรสามารถให้ความช่วยเหลือกับเขาได้เลยสักนิดเดียว เป็นการยอมรับอิทธิการ ع ล ى بطلان ิอิลลฮีตีมา كانوا يعبدون وأنه لا يسل الله شريكون في الحقيقة เป็นการยอมรับว่าสิ่งที่พวกเขาเคยคิดว่าสามารถจะให้ความช่วยเหลือได้ในโลกดุน ان ان ีย์นั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับและอัลลอฮฺสุบฮานาอฺเจ้านั้นไม่มีสิ่งใดที่จะเอามาเป็นชิริกกับพระองค์ได้ คดังนั้นย่อมห ا ف ทางนั่นแหละคือสิ่งที่ที่อัลลอฮฺ تعالى ได้ทาให้รด้คนที่ปฏิเสธศรัทธานั้นต้องเจอกับความหลงทางเรื่อ م กลุ่มบีมาคุณทุ่มจะร้องนับ ب นอาร์ตในอาร์บบีกร ر ร์ที่ผบมาคุณทุมจะมรพ์พอพวกเขาพอชาวนรกยอมรับอย่างนี้ สุดท้ายก็ต้องทนรับกรรมนะครับในการลงโทษของลอสุบาอานาตตาลาตลอดไปมาลายกัตเหล่านี้นะครับหรือนะก็จะมีคำพูดจากมาลายกัตเพิ่มเติมว่าผลกรรมทั้งหมดเนียเพราะสู่เจ้าเคยหลงระเริงอยู่ในแผ่นดินงกับสิ่งที่ไม่ใช่สัจธรรมว่าบีมากุนจุ่มจำราหูและพวกเจ้าเคยสนุก นะตับซิรวร <c oughs> หู ل ل นใี่ดิ้วยการที่ม่ได้รับสิทธนะิทัฟหูนในที่ดินดวารที่ไม้บสิิัูนในที่ดินดยกาที่ม้ับสิูนในทดนวยารที่ไม่ได้ับสิทธิ์ทัอรูในี่ดินดวกาท่ม่ดับิฟนในที่ดนยการที่ไม่ไับิญชวรนอย่างไารีไม่ฟังเิทราะว่าชี่ิตวกที่พว่เขาอยูนนี่นย เพราะเขามีความรู้สึกร่าเริงสนุกสนานอยู่กับชีวิตแบบนี้มีความสุขกับชีวิตแบบได้ทําบาปต่อ Allah Subhanahu Wa Taala เป็นวันๆมีชีวิตที่สนุกอยู่กับนะอูบิลละการทําอบายมุกต่างๆการฝ่าฟื้น Allah การตามชะฮวาการตามอารมณ์ไฝ่ต่ําของตัวเองสนุกไหมทําตามอารมณ์ไฝ่ต่ําทําตามอารมณ์เนี่ยมันสนุกสนุกสนานอะไรก็ว่าไป แต่เป็นความสนุกสนานที่อยู่ที่อยู่บนอัลบาตัลความไม่ถูกต้องดังนั้เ um. พระาะฉะนั้นผลกรรมที่พวกเจ้าเจอในวันนี้เนี่ยมาจากการที่พวกเจ้านั้นเคยสนุกสนานอยู่ในโลกดุนเนียและการที่พวกเจ้านั้นยังเขาเรียกว่ามีความตำราฮุนก็คือเบิกบานใจด้วยการ ทำร้ายคนที่เป็นผู้ศรัทธาผู้ที่อยู่บนเส้นทางของอัลลอฮ์สุบฮาน altogether บักรยันว่อุดวานันวุ่ลมันว่สยานาสนุกกับการทำบาปยังไม่พอแต่สนุกกับการได้ทำร้ายคนอื่นได้ทำร้ายท่านนบีสุลลัลได้ทำร้ายบรรดาสฮาบะได้ทำร้ายบรรดาผู้ศรัทธาคนเหล่านี้มีความรูม้สึกมัน มีความรู้สึกสะใจที่ได้เห็นบรรดาผู้ศรัานั้นได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่มีความศรัทธาต่อพระสุภาอัลลาลานี่คือพฤติกรรมของคนที่จะต้องได้รับการลงโทษจ Allah ากอัลลอฮฺมะฮ์ัดอัลลในโลกในโลกอัค h ระ a ตนะ่อไปอะอฮฺุูบิลละแล้วอัลาลาห์บอกว่ายังไงต่อเ <c oughs> ไหมอดุดฮุลู ปบ <c oughs> ะตนนูนรกะะนนประตูนรกประตูนรกประตูนรกประตอนรตูนรกประตนรกนรกปะตูนรกนรกประตูนรกประตนรกพระตูนรกประตูนรกะตกปะนรกนกประตูนรกระนรกประตูนประตูนรกประตูนประตูนรนรกประตูนรกประตูนรกประตูนรกประตูนรกประตนตนรกปรนรกตูนรกประตูนรกประตนรปรนรกนันนนกนเปรเเนออรีประนรกปนรกประตรกประรกปนรกกระรรน ยิ่งเยโสอลมุตักกับเรินก็คือคนที่ตะกับบอรเพราะฉะนั้นนี่คืออายักต่างๆที่กำลังพูดถึงคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสจธรรมและคนที่โต้แย้งกับบรรดาองค์การห่อัลอลวงสุภาหนวต่าลาในทุกยุคสมัยเราจะเห็นว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทุกยุคสมัยไม่ใช่เฉพาะในสมัยของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลก่อนหน้านี้นบีทุกคนก็เจอแบบนี้ นบีนูจแบบนี้นบีอิบรอฮมก็จแบับนี้นบีมูซอา ع ل ก็จแบับนี้นบีทุกคนต้องเจอกับการปฏิเสธและการหัวแข็งหัวดื้อของบรรดาคนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งสิ้นอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه ละก็เลยสั่งท่านนบีล ل ه ع ว่าทัศบร์อินนาว่ดัลลอฮ์ฮิผักะในมรล ว่าบั้นปลาของบรรดาคนที่โต้แย้งกับความถูกต้องจะต้องเจอกับอะไรเพราะฉะนั้นมูฮัมมัดไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปรู้สึกหนักอกหนักใจให้มากอดทนฟัสบิรอดทนเถิดโอ้มฮัมมัดเพราะว่าเจ้าหนีไม่พ้นหรอกหนีไม่พ้นจากการที่คนเหล่านี้เนี่ยจะมีนิสัยแบบนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือ อดทนไม่ให ل ลาให ب ละลาละฝัสบร์อินวาดัลลัฮ์ผักน์ยั่วลูทะะลัอามร์นรัศูล์ฮุบัศบร์ัลทัคจีบันคัลบับฮุบันควัล์ัลลัฮ์ัลลัฮ์ัลลัฮ์ัลลัฮ์ัลลัฮ์ัลลัฮ์ัลลัฮ์ัลลัล สิ่งที่ท่านได้รับความเดือดร้อนจากคนเหล่านี้อิลลาวะดัลลอฮฺฮะคฺกแท้จริงแล้วสัญญาของ a l l า h سبحانه และ تعالى นั้นย่อมจะต้องเป็นจริงเสม อ, อล l l a h ตั๋ลาสัญญาว่าคนเหล่านี้จะต้องเจอกับอะไรเจ้าจะได้เห็น Allah ตั๋ลาสัญญาว่าบรรดาผู้ศัทธิจะได้รับชัยชนะเจ้าจะได้เห็นจะต้องได้เห็นอย่างแน่นอนสักวันหนึ่ง ف ั ango, humans, in well. ف ่ -imma- นูริยัลนักบางต์ที่นั่งดูหุ่มสัญญาของอัลละตาอัลาเนียบางทีอัลละตาอัลาเขจะให้เจ้าได้เห็นส่วนหนึ่งสมมติอัลละตาลาบอกว่าจะได้เห็นกี่อย่างในโลกดุนยานี้จะได้เห็นบรรดาพวกมุสลิกีนเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาในโลกอาเครอจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาอัลละตาลาสัญญาไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วท่านนบี สัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมอาจจะได้เห็นสักนิดนึงอาจจะไม่ได้เห็นทั้งหมดแตอิหมะนูริยันนะกะบางัลลัลฮิไนดูฮุมอูนัทอัฟฟายนะรึาสมุติในโลกดุนีย์นี้ไม่ทันเห็นไม่เป็นไรยังไม่ทันเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบรรดามุชลีกีนพวกนี้ก็ไม่เป็นไร เจ้าตายไปแล้วเนี่ยสุดท้ายคนเหล่านี้ไฟอีลยนยูรจอนสุดท้ายคนเหล่านี้ก็จะต้องกลับไปหา Allah s ห b h a n a h u Wa t วาาอันนี้ฝั่งของเราฝั่งของบรรดาคนที่ยืนหยัดอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเนี่ยเรื่องการอดทนต่อความเดือดร้อนที่เกิดมาจากฝั่งที่เป็นปฏิปักษ์กับเราเนี่ยอ้ต้องทำใจให้มาก เป็นเครื่องมือประกันแรกประการแรกๆเลยที่เราจะต้องใส่เข้าไปในหัวใจของพวกเราก็คือเมื่อไรก็ตามที่เราพูดความจริงออกไปที่เราพยายามจะเชิญชวนให้มนุษยชาติกลับไปหาลอสุบะตาละมันจะต้องเจอกับสภาวะแบบนี้อย่างแน่นอนจําเป็นที่จะต้องอดทนตันนบีสุสสลตานละอฺออฺลาฮฺซัลลัมอดทนกี่ปีที่มาเ ก, กิดเกิดอะไรขึ้นบ้าง กับบรรดาสหฮาบะสมัยที่อยู่ที่มักกะสิบสามปีพวกเราตลอดชีวิตที่เราอยู่ในโลกโนลกนี้เรายังไม่เคยเจอกับบททดสอบแม้เพียงแค่สักสักปีหนึ่งปีหนึ่งก็ยังเยอะนะเราเนี่ยเคยเจอไหมบททดสอบเท่าที่ท่านนบีสลบุสลตเคยเจอในะสมัยมกักกะขอแค่ปีเดียวเราเคยเจอัหมไม่มีอะ เดือนหนึ่งเคยเจอไหมเอาสักเดือนหนึ่งก็พอเหมือนที่เรา ท, ท่านน บ, บีเคยเจอสมาที่ท่านอยู่ี่มักกะเอายังไม่เคยเจอเลยนะท่านน บ, บีเนี่ยเจอมาทุกรูปแบบโดนคว่มบาตรเนี่ยสามปีสามปีมปที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่โดยที่ถูกตัดขาดพวกมุสลิกีนเอาของท่านเองเนี่ยตัดขาดแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่อยู่เผ่าเดียวกัน เป็นคนในตระกูลเดียวกันกับท่านนบีอบูตอเลบเองก็โดนนะปีที่ถูกตัดคาเ น, นี่ยอบูตอเลบเองก็โดนนะไม่ใช่เฉพาะบรรดาคนที่เป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นะนะคนที่เป็นญาติมิตรคนที่เป็นญาติสนิทอยู่ในตระกูลเดียวกันถูกตัดขาดหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นการอดทนของท่านนบีถ้าจะเอามาเปรียบเทียบกับความที่เราจะต้องอดทนในสมัยนี้เนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นโดนอะไรนิดอะไรหน่อยอดทนสักหน่อยนะ อย่าอย่าได้รู้สึกอะไรเลยเดีย๋ยวเราจะได้เห็นเองว่าผลสุดท้ายคนที่อดทนจะได้เจอกับอะไรจะได้รับผลตอบแทนอะไรจากอัลลอ์สุบฮานอจาละแล้วคนที่พยายามจะทำลายอิสลามจะทำราา้ำรายบรรดาผู้ศรัทธาสุดท้ายเขาจะเจอกับอะไรนะครับเราอาจจะตายไปก่อนก็ไม่เป็นไรนะเราตายไปเรากลับไปหาอัลลอ์สุบฮานอาจาลเราได้รับอะไรจาอัลลอฮ์ในขนณะที่คนที่ปฏิเสธ คนที่จ้องจะทำลายอิสลามเนี่ยเวลาที่เขากลับไปหาว่าเขาได้เจอกับอะไระไม่ต้องห่วงนะครับ น, นี่คือการปลอบใจท่านนาบีสุลต่อลลฮ์สั่งแล้วอัลลอฮ์แต่อะไรยังได้เพิ่มเพิ่มเติมนะครับว่าเป็นการปลอบใจเพิ่มเติมให้กับท่านนาบีสลอัลล์ได้มีความมั่นคงในการอดทนของท่านลวลร ก่อนหน้าเจ้าเราได้ส่งรอซูลมาหลายคนแล้วอ่านี่เป็นการปลอบใจเพิ่มเติมบอกว่าย่างโมคำว่ถ้าเจ้ามีความรู้สึกว่าเจ้าลำบากเจ้าต้องอดทนให้นึกถึงเรื่องราวของคนในอดีตมรนดารอซูลในอดีตก็เช่นเดียวกันมินฮุมมันก็ส้นอะไรในบรรดารอซูลนั้นมีจํานวนหนึ่งที่เราได้เล่าเรื่องราวของพวกเขาให้เจ้าฟังว่ามินฮุม มัลลัมนักซุสอะไ ك และมีอีกหลายคนที่อัลลอฮฺต้าลาไม่ได้เล่าเราื่องราวเหล่านั้นให้เราทราบรอซูลไม่ได้มีแค่ยี่สิบห้าคนนบีไม่ได้มีแค่เท่าที่เราทราบยังไม่รู้เท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่กันแน่นี้เราก็ยังไม่ทราบนะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนระบุถึงจํานวนรอซูลที่ชัดเจนหรือนบีที่ชัดเจนแต่ที่เราทราบก็เท่าที่อัลลอฮฺสุบไบร์ต้าลาได้บอกเรานะครับในกบีอัลกุรอานเท่านั้น ว่าไม่เคยมีรคนใดที่มีอานาจจะนาเสนอมกุฎจักรต่างๆได้อัลลอฮฺประทานสมมตินบีนูอะลัยซัลลัมมกุฎจักที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านคืออะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของท่านก็คือน้าท่วมนบีฮุด ก็มีมอจิสัตย์ที่อัลาลอฮฺส่งลงมาช่วยเหลือท่านนาบีอะไรอีกซาหละแต่ละคนนั้นล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์นบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮอะ ล, ะละัยฮิลมก็เช่นเดียวกันถ้าสมมติว่าจะมีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นท่ามกลางการถูกกดขี่กดดันจากบรรดามุสลินเหมือนแถวว่าบรรดาผู้ศรัทธากบลังรอว่าเมื่อไรจะเกิดปาฏิหาริย์ฮะ เมื่อไรอรัตตะลาจะส่งปฏิหารของพระองค์มาเมื่อไรผู้ศรัทธาจะชนะสักทีเมื่อไรบรรดาสาวะจะได้รอดพ้นจากการกดขี่ข่มเหงนี้สักทีรออยู่อรตตะลาบอกว่าปฏิหารที่จะเกิดขึ้นหรือการช่วยเหลือที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องได้รับการอนุมัติจากอาลัตตาะลาเท่านั้น โอเคเราก็เฝ้าเราก็เฝ้าหวังนั่นแหละว่าสักวันหนึ่งเราจะได้รับชัยชนะแต่ถามว่าชัยชนะที่ว่านี่มันจะเกิดเมื่อไรมันจะเกิดก็ต่อเมื่อ Allah อนุมัติอนุญาตให้มันเกิดขึ้นและเมื่อไรก็ตามที่วันนั้นมาถึง فإذا جاء أمر الله قضي بالحق و خسرهنا لكل مُطِلُ เมื่อไรก็ตามที่กำหนดการของล้อสุภาณวตาลามาถึงการตัดสินด้วยความเป็นธรรมก็จะถูกตัดสินออกไปเมื่อนั้นบรรดาคนที่เป็นฝั่งที่เป็นผู้ผู้ทผิดเนี่ยก็จะเป็นวินาทีเแห่งความายนะของพวกเขาข้าศิระหูนาลิกัลมุบุติลูเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่ถึงเวลา วันนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะได้เห็นการตัดสินของล่องสุมหาห์วจะอะแหละสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำหน้าที่ของเราต่อไปและจงอดทนเหมือนที่ท่านนาบลีลลลองอะสันลทำหน้าที่ของท่านดีมาตลอดไม่เคยท้อแทะนะครับอดทนมาตลอดจนกระทั่งสุดท้ายท่านก็ได้รับชัยชนะในะการสร้างเมืองมดินะขึ้นมา ในสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตและในวันที่ท่านนบีเสียชีวิตชาวอาหรับทั้งหมดบรรดาขบิลฮเผ่าต่างๆก็ได้รับอิสลามอิ جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أ ف و ا ج فسبح ب ح م د ربك و س ت غ ف ر إنه كانت وابا อินชาอัลลอฮ์รพวกเราคงจะได้รับบทเรียนจากเรื่องราวที่อัลลอฮพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้น กับบรรดาพวกมุชริกินที่คอยสร้างความเดือดร้อนในสมัยของท่านนาบีสุลต่นละฮะอัลลอฮสัลเอามาใช้ในชีวิตจริงในสังคมที่เราต้องเจอในยุคสมัยนี้นะครับยังคงมีคนประเภทนี้อยู่และเราเองก็ต้องอดทนในการที่จะยืนหยัดอยู่บนเส้นทางนี้ตลอดไปจนกว่าเราจะได้เจอกับสัญญาที่อัลลอ์สุลตานะฮะอลได้สัญญาให้กับพวกเราทุกคนนะครับอาเมนยาอัลลอฮฺต้าละอาล و ัลลอ الله وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا م ح م د وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته